มันมีเหตุเพิ่งแต่งความเวลาครูบาอาจารย์เสียแต่ละคร้งนี้ก็เพิ่งที่เกาะอยู่กับครูบาอาจารย์ก็แต่งควสหาลงเหมือนกันหาลาก็ยังดีที่ท่านบอกว่ามีลังอีกทางไหน้างไม่ได้ไม่ไม่ม่เสียนลไม่เขียนละนะ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 มาสอนใจเราให้เับเปิตาไม่มีอะไรที่ที่แท้นแน่นอนและไม่มีที่พึ่งอังนไหนที่จะดีเท่า ก, กับตัวเราเองเพราะที่พึ่งที่อยู่ข้างนอกนั้นถ้าเขาไปจากเราไปเราก็จะลำบากแต่ที่พึ่งที่มีในใจเรานี้จะจะอยู่กับเราไปตลอด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 ยึดคำสอนของท่านเป็นอาจารย์ของพวกเราเพราะว่าคำสอนของท่านนี้ไม่ได้ตายตามท่านไปอย่างที่พรุทธเจ้าทรงตัสไวว่าทรร ม, มวินัยที่ตถาค ต, ตได้ชอบแลวแง่จะเป็นศาสตราของพวกเธอต่อไปคำสอนของครูอาจารย์เช่นของหลงตาที่สอนไว้นี้ก็จะเป็นอาจารย์ เป็นหลวงตาแทนท่านต่อไปเพราะ้เราเอางไม่ได้อยู่ใกล้อาจารย์อาจารย์แค่เรามีคาสอนของท่า น, น, นตอนนี้เราก็ได้ว่าคำสอนงท่านเก็บไว้มากพอสมควรทั้งที่เป็นหนังสือทั้งที่เป็นแผ่นซีดีและเป็นภาพราก็ไม่ควรที่จะเก็บไว้ในทิ้งชักหนือตั้งไว้บนที่ม้งไว้กล่าวพิจ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 คาสอนของท่านจะเป็นความจริงก็ต่อเมื่อเราได้น้อมเอาเข้ามาสึกใจของเราด้วยการปฏิบัติถ้าเราน้อมเข้ามาเอาคําสอนมาจำละใจของเราจำละความโลภความโกรธความหลงคาสอนนี้ก็จะกลายเป็นความจริงเป็นความจริงที่ไปอยู่กับใจเราไปตลอด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 ถ้าขาดทำถ้าทําทผิดสีสี่ข้อนี้ตอนชดสท่้อนี้ก็ถือว่าขาดจากการเป็นนักบุส่วมรวมสีข้ออื่นๆนั่นก็ยังสามารถที่จะแก้ได้ถ้าทําผิดก็ยังสามารถที่จะชําระได้ปลอบระบัดได้สีที่ชาระไม่ได้ตรงบไมไ่ได้ก็คือตอาชดสี คือเหนือนการเสพในถุงนึกการเสพการรการข้ามนุษย์สาการรักทรัพย์และสิการอวดอุตตริมนุษย์สัญญาธรรมคืออวดอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนแต่ถ้าเป็นคนวิเศษที่มีในตนนี้ไม่ถือว่าเป็นปามานุสิท์ถ้าเป็นความจริงอย่างที่พระเจ้าสงส่ยว่าเราเป็นพระอาหารหันต์ตระมาสสมพธธุทธเจ้า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 ไม่ได้พูดเพื่อที่จะหวังน้มน้าวให้เขามีศรัทธานับถือเคารพหรือต้องการลาบส ก, การะจากจากผู้ที่ราบการประกาศนะแต่เป็นการบอกให้รู้สถานภาพของของพระองค์เพื่อเขาจะได้รู้ว่าพระองค์สามารถที่จะทานอะไรให้กับเขาได้หรือกับ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 เพราะเขาก็ไม่เข้าใจถึงความหมายของคาว่าตาลาชิพนี้เป็นยงไงเนื่องจากมีธรรมเนียมว่าไม่ควรจะพูดถึงแม้ว่าจะบรรลุก็ไม่ควรจะพูดเพราะเสี่ยงต่อการถูกเขาตล่าหาว่าเป็นตาลาชิพไดน้นี่ก็คือเสียงของพระสีงข้อก็คล้ายๆกับเสียงห้าของญาติอย่นี้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 พอที่จะควบคุมความหวาดกลัวนี้ได้เวลามีความหวาดกลัวตั้งแต่ใหเราบริกรรมพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ทําให้เราเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาเช่นเราอาจจะได้ยินเสียงหรือเราอาจจะปูนแต่งคิดว่าเป็นผีเป็นอะไรขึ้นมาเราต้องรีบหยุดความคิดเหล่านี้แล้วบริกรรมพุโทโธไปอย่างเดียวหรือส่วนบทอิติปิโส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 ที่เวลาไปอยู่ในที่กลัวแล้วเกิดความอยากอยากอยากจะอยากจะให้ร่างกายนี้กอดภัยไม่อยากให้ร่างกายนี้ต้องเป็นอะไรไปก็จะเกิดความหวาดตัวซึ่งเป็นความทุกข์ขึ้นมาภาในใจแต่ถ้ามีมรรคที่สอนว่าร่างกายนี้มันยังไงก็ต้องตายจ็ไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้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 คนเราที่จะต้องแต่งงานอยู่ด้วยกันมีคู่ครองกันแล้วเพราะว่าเวลาอยู่คนเดียวแล้วมันมีความทุกข์ใจมันมีความไมส่สึกนาเบเศร้าสร้อ ย, อย ง, ง่วงวาอจึงอยากจะมีคู่ครองมาเป็นเพื่อนมาให้ความสุขเราก็ต้องพิจยามอธิพะคุยความไม่สวยไม้งามแล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 อยากที่จะร่วมหลับนอนด้วยแต่ถ้าเราเห็นบุคคลที่เราอยากจะไปร่วห ล, ลับนอนด้วยเป็นเหมือนราสุดเป็นเหมือนกับเนือ้อสัต์ที่เขาชําหาะขายในท้องตลาดเห็นอาวายัยวะต่างๆเห็นตับใจไส้ทุงก็จะไม่เกิดความอยากเกินก็จะหลับความอยากได้ก็จะยินตามลำพังได้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 แต่เราเนื้อขะเพื่อ ง, งับดับมาท้าปัญหาส่วนส่วนส่วนสมุทัยที่ที่มีอีกขั้นหนึ่งก็คือความเจ็บหรือเรียกว่าเวทนาทุกคขามเวทนาที่เกขึ้นจากร่างกายเวลาเจ็บไข้เรวยได้ป่วนก็ดีหรือเวลานัางสมาธิเปันานแล้วก็กกเกิดอาการเจ็บปวดตามส่วนต่างๆขึ้นมาอันนี้ก็ต้อง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 ท่านเดินไปก่อนหน้าเราแล้วท่านก็บอกให้เดินตามท่านไปทั้งเองไม่เห็นจะยากเย็นอะไรเลยทำไมไม่ไปล่ะก็เพราะยังยังติดอยู่กับเรื่องนั้นนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่นั่นเองยังไม่เห็นว่ากำลังติดอยู่กับลูกระเบิดยังไม่เห็นว่ายังติดอยู่กับงูพิษยังไม่รู้ว่าจะโดนกับยังไม่รู้ว่าจะโดนลูกระเบิดระเบิดใส่หน้าเรา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 ท่านารเทศบกว่าผมิที่ถึงผูชายคนนั้นที่ทำทำงานั้งหนตเนี่ยต้อ ง, าถาต ง, ตงถามท่านว่ า, า, ท, า, ว า, าวที่ไม่พิจารณากายได้เลยไม่ม จ, จิตเลยทไมเขเดอย่างดูดการอาการของจิตนะคะเ่้อธิบายละเอียดใหท่าน็ไม่มีปัญหากับกายเขาไม่ต้องพิารณาอะ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 ในสติปัะฐานสูตรก็จะแสดงไว้กายเวทนาจิตธรรมะห็นไหมมันก็เป็นขั้นของมันอยู่แนละ้วกายก่อนนะกายแล้วก็เวทนาไปประจิตส่วนธรรมก็คืออริยสัจสีที่มีอยู่ในทุกขั้นทั้งสามขั้นขั้นกายก็มีขั้นเวทนาก็มีขั้นจิตก็มีต้องผ่านริยสัจสี่ทั้งสามขั้นมีไป ขัานกายก็มีมีสมุทยที่เกี่ยวกับการคือความรักตัวกลัวตายนี่ก็เป็นสมุทยทั้นเวทนาก็คือความรักความรักสุขเวทนาความแม่ชอบทุกขเวทนาอันนี้ก็เป็นสมุทยขั้เวทนาขั้นจิตก็เหมือนกันการรักความสงบความสุขนหยียดของจิตมันก็เป็นสมุทยเหมือนกัน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 อันนี้โยนขึ้นไปลงมาก็เป็นหัวเดี๋ยวเท้าหน้ายนขึ้นไปลงมามันอาจจะเป็นก้อยก็ได้เราต้องรับได้ทั้งสองด้านดีก็ได้ไม่ดีก็ได้อยู่ก็ได้ตายก็ได้ทำหน่งก็เหมือนกันขึ้นก็ได้ลงก็ได้ถูกไล่ออกก็ได้ <c oughs> ทำไมไม่ได้ก็เราไปไะยึดไปติดเอาเอง เราเป็นหลงเองว่ามันจะต้องไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้นอมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราเพืไถ่เดือนรอ้อยก็เราเองอะบงทีมีนก็ข้าตัวตายก็ยอมรับไม่ได้แต่ถ้ามีปัญญามีใจรักอยู่ในใจตลอดเลลวลาแล้วมันจะรู้สึกเฉ่เฉยรู้ทันรู้ว่ามันจะมาแบบไหนเราเตรียมวัดได้ทุกอท่างทุกรูปแบบ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 อย่าไปนักอย่าไปชังอย่าไปมีอคติตัดสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราสัมผัสรับนักแล้วเราจะไทุกข์ความดับทุกข์ก็อยู่แค่ตรงนี้อยู่ในใจเราเนี้นิพพานก็อยู่ในใจเราเนี้มันไม่ได้อยู่ที่ตรงนมันไม่ได้เป็นสถานที่เมื่ชานี้ก็ที่ับใจเราเนี้มันเป็น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 เขาวแต่ว่าเลือกเข้าส่วนใหญ่เราชอบเข้าห้องร้อนกันาการมีเนืงุ้มร้อนเราไม่เข้าห้องเย็นพระพุทธเจ้าสอนให้เข้าห้องเย็นให้ทานให้ทําบุญทานสีธรรนาเนี่ยเป็นการเข้าห้องเย็นแต่เรามันชอบเข้าห้องโลภโมโทโสันกันเห็นหน้ายกโลกเห็นหายกโกรธเห็นหน้าย ก, ก, ลกนหนกลงมันก็เลยเข้าห้องร้อนกัน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 เราออกรวดตื่นวิเวกอีกตามลำพังแต่พวกเราชอบเข้ารูปหารูปเสียงกินรสกันแล้วก็รุมร้อนกันแล้วก็สงสัยว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงหรือเปล่าทั้งท่านนี้มันอยู่ในใจเราตลอดเวลาทํามองไม่เห็นก็ไม่รู้ว่าเป็นนรกเป็นสวรรค์กัง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 ความทุกข์ใจดับไปมันก็เย็น ม, มันก็เป็นสวรรค์เป็นนิทานขึ้นก็ไม่มีใครทําแทนเราได้นะพูดเมยถ้าเป็นธาตุตายก็ทําแทนให้อ ข, อของใครของผมรักประทานอาหานไม่มีใครกินแทนก็ได้นะต้องกินแทนนีกินกันเองถ้าไม่กินก็หิวถ้ากินก็อิ่ม ก็จงผู้ตอนตัว่าคนที่จะพิจารณาจิตได้คือเขาต้องเขาต้องวางเรื่องกายไปแล้วมาต้องวากายไปแล้วซึ่งจริงๆเขาก็ต้องรู้นะครับว่าก่อนที่เขถึงวันนี้เนี่ยเาต้องผ่านการพิจารณากายม า, ย ก, ายก่อนแล้วถูกเนี้ยไม่ช่อยู่จะพิจารณาจิตได้เลยถ้าเขาไม่มีปัญห า, า, า, า, ก, า, า, ากับเรื่องความใารขขขขเขาไม่มีภาระมเกกับเรื่องการกจะมีเท็จรือการอยากให้มเขาก็ไม่รู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 เพราะฉ น, น้นผู้ที่อพิจาราจิตเรืยทันทีนี้ก็เือผู้ผู้ที่รู้เป็นอนาคาแล้วเท่านัปป้นถูกไหมท่านอาจอรารย์ซึ่งนั่นหมายความไม่ได้เกิดปเป็นมนุษย์แล้วหรอถ้ายังเป็นยังไม่ตา ย, ยาก็ยังเป็นมนุษย์อยู่แต่จิตเป็นใครไปบ้างนะจิตเป็นจิตอนาคาเนี้ถือว่าเป็นจิตธรรมาคนจะเข้าเข้าสู่ท่านทานิพพานต่อไปนก็เด้พิงที่จง่าที่เลว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 ความสุขความเจริญหรือความเสื่มนี้มันไม่ได้อยู่ที่การจะทําพิธีกรรมต่างๆท<ม>ีเดียวศีลัดพระตะปนมาพอเราเวลาจิตเวลาตกต่ำชีวิตตกต่ำก็ไปทําพิธีสเสด็จเคาะเล่หาหมอดูไปเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนอะไรต่างๆไปบูชายอย่างไปบูชาลาหุนไปเช่าพราอะไรต่างๆที่มีพระโพคธาตุพระเนตรอะไรองนี้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 ต <c oughs> ่อไปเราจะไม่มีคนอย่างนี้แล้วเพราะเราไม่ทำบาปแล้วเราคิดอย่นี้ถ้าาจารยในระดับพนาคามีนี่คือไม่มีรูปแต่ว่าขันอีกสี่ขันยังยังมีอยู่ไก็มีเพราะขันมันก็เกี่ยวข้องกับจิตนามาขันมันก็เกี่ยวข้องกับจิตที่บอกว่ามีประเภทมีมันอยู่ในจิตนำมาขันนี้อยู่ในจิต เื่องนการนี่มันมั น, ม, น, ม, นมันเป็นธาตุสี่ดีนะคุณฟังคยฟังดีมีฟังพรธรรมาหมั้งนะพูดถึงมีห้าขันมีสี่ขันแล้วก็มีขันเดียวขันเดียวนี่คือคือมีสี่ขันรวบรวมอยู่ในจิตอย่างนไม่ไหมคะเขาไม่ได้เป็นนเขียนเองนะเขาทำมาแล้วอย่างนี้มีขันสี่ขันห้าและขันหนึ่ง<ม>ขันหนึ่งเวลาเวลาแตกต่างขันหนึ่งี่หมายถึง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 ที่ละเอียดนี่ก็เสือ่อลงไปได้ทีนี้ทําไมถ้าไม่รู้จักวิธีก็จะรักษารักษาก็เือจะรักษากี่เดืนก็คือเมื่อมีความชอบความละเอียดความละเอ็ดนี้ก็อยากจะรักษามันเวลามันเสือ่อมก็จะเข้าฌาไปเข้าฌาก็เหมือนกับว่ายังยังไปติดอยู่กับความสุขละเอียดนี้ยังไม่เห็นว่าเป็นใจนะ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 แต่พอออกมาที่ฟันเพียครั้งสครั้งมันก็จะแตบเอมันที่หลวงตาเทศว่าท่านต้องบังคับตัวเองฮะ้เราถืุทโธใช่ได้่เพราะว่ามันเลยเถิจะหลวงปู่มั่นบอกว่าบ้าสังขารเนี่ยคือระดับนี้ตอนต้นก็ติดอยู่ในสิไม่ยอมออกพิจารณาหลวงปู่มั่น่ก็บอกสมาี่เป็นเห็ือนเนษเน้อนื้อติดฟัน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 พอจิตสมนี้ก็หมือนการนั่งมวยพอพอระคังพักนี้ก็ออกจากมุมเข้าไปต่อต่อเลยที่ดูนั่งมวยต่อยสหยกแหล่ไม่อยู่ในี่สวรค์น้ักให้น้ำก่อนเจ้พักให้น้าก่อนเป็นยกยกไปถึงขั้นตอนตนั้นมันจะลุกเองหรือธรรมชาติติเ่าหรือว่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีครูบอาจารย์มาบอกเรื่องาก่อนนี้มันจะเป็นแบบเดียวกันหมดมันจะบ้าไปอย่างนมันก็จะบ้าใางสมาธิแล้ก็กในสมาธิ แล้วถ้าไม่มีอาจารย์เราบอกมันก็จะติดไปนาน<ม>แล้วพอออกไปทางบัญ ญ, ญามันก็จะบ้าไ ป, ปแบบนั้น <c oughs> แต่ถ้ามีอาจารย์คอยเส่คอยสอนง่า้ๆนะพอเราถึงจุดๆแล้วเราก็จะรู้แล้วจนะต้องทำอย่างไ <c oughs> งก็เหมือนคนที่มีคนบอกทางเราแล้วก่อน <c oughs> มาถึงตรงนี้แล้วต้องทําอย่างนี้นะเลี้ยก <c oughs> ขาเลี้ยวซ้า ย, ยทำยงไงบอกเลยแต่ไม่รู้เดี๋ยวก็ต้องลองท้ายลองขวาลองถึกลองถึกนะฮะ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 กินมันก็ยังมีอยู่เมันทั้งให้าที่จิตถ้าด้ยวยการพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารดูอาหารที่มันอยู่ในปากอยู่ในท้องเราอย่าไปดูอาหารที่อยู่ในจานเวลาเห็นอาหารในจานน้ำลาย่างได้เห็นนะจะเห็นอาหารที่เราอ้วกออกมาไม่ได้ไม่อยากจะกินถ้เห็นแบบนั้น น, นันก็จะไม่อยากกิ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 หวนท่านไม่ได้ก็อะนีกิดข้าอคืับห่กินไค ข้อนะคะทากระทรวงยบันมีเ้าขาสินให้ากี่สุดไหคะเรียด้ว่าทางไอ้ี่ข้อว่าที่มีเขาคิดว่าหรือเราเดียวเขาเราคนเดีเขาเราเดี่ยวเานี้เป็นลมานะที่ไม่เป็นมานะที่พระศรีดามันยงยงล้วท่อาาได้ คือในที่ปัจจุบันเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราพีนาะโดยธรรมชาติว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังตาเตี้ยรอเรื่อยเดี๋ยวเลาเกิดเหตุการณ์ที่จริงๆอ่ะมันคืี่มัเท่ามันลงทยืนเนี่ยมันยังไม่เป็นเท่ามันยังไม่เป็นปัญญาที่แท้จริงมันเป็นเป็นจินจะเมยยแปั ญ, ญาเป็นจินนาตาไมยังไม่เป็นภาวาเมยยะปัญญาที่ไหนให้เป็นตัถ้าดับที่เลือได้ดับความคิดได้ถึงจะเป็นภาามยัญญา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 ใ้มานัเฝ้าดขมยอดเวลเฝ้าก็ดูจิตเรามี็นตลอดเวลาหรือสิ่นึ่งมีความเสียดายในเรอพราะเราไม่เห็นว่าเป็นการรักเราไม่เห็นว่าเป็าดทุกข์สิ่งที่เราเสียด้ยก็เปนี้ื่้เ่อเอูกกระเบวลาที่จะระเบอดไปมันเสียดาย ขอนกระเป๋าเนี่ยเขายังเสียได้แต่ไม่ไม่ใช่อะไรนะทอเนี่เขาเสียเขาไว้่องทุนก็ไม่ประโยชน์แล้ถตั้งไปเฉยร้อยที่หน่งเก้าเรือเราเป็นเรือลำเล็กๆเนี่ยเจ็บเล็กๆก็พอพูดได้เดี๋ยวถ้าเจอเสนไม่ดีหนึ่บาทนี่ก็ไม่หรอกเรือมันก็จะรอย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 แต่วนยากเมื่อมันไม่รักไม่หวงไม่ห่วงมันก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมมันได้มาจะให้ไปมันได้มาจะให้ไกรว้จาได้มาเท่าไหร่นก็ให้ดีทองทาต้องฝิกสองันถ้าท่านเก็บไว้ต้องเกินนะถ้ามีคำถ้ามีครักคำหวงอย่างนี้เดียวรับคมได้ให้ไม่ได้ก็ต้องหาเหตุเก็บไว้ันได้ดูว่าจาความรักความหวงควอมห่วงไว้ ม, มันเป็นมันเป็นภาวะปัญหาที่ภาวะปัญหาท่ามวัดัญหาต้องพิจารณาว่ามันเท่าไหร่ก็ต้องจ่ากวาดไปอยู่ดีหรือเราต้องจ่ายเงินไปอยู่ดีถ้าเราจ่าแบบ ท, ที่เราไม่คัวรักขวแลรวก็จะจ่าแบบ ท, ทุกทรมาน์วเวลาอยู่ก็อยู่อย่าทุกธรมายแต่ถ้าเรา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 หรือว่ามันเป็นมันเป็นประจําประจำแต่ละจิตมันก็เป็นามาลีที่เาสร้างมาไม่เท่ากั น, นกเราสร้างวิริยบาลีามาบ้าแต่เราไม่สร้างปัญญาบาลีที่เราไม่สนใจฟางเทศฟังธรรมไม่นักไม่ชอบฟังเทศฟังธรรมไม่ใส่ไม่ใส่ศึกษาไม่คิดด้วยเหตุด้วยผลาอมันก็จะน้อน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 นางชาตก็สร้างวิริยะบาลีอย่างที่เป็นลอยคออยู่ในทะเลนี้นนปเป็การลงค้ำให้สร้างวิริยะบารลีมันก็สร้างวิาาริยนะบาลีเนาะเวลาเป็นพระเตงก็สร้างเครื่องข ม, มับเอ้ยเดินขาบาลีนิ่เฉยอัอนอนี้ก็เป็นบารมีต่างๆที่ที่ต้องสร้างอาในแต่ละทศแต่ละชาต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 เหมือนกับเอารถเขาเกียร์ต่างๆพอถึงเวลาตายพักมันรถมันก็จะวิ่งไปตามเกียร์สุดท้ายที่เราเราสังไว้อยู่<ม>อย่างพ้ะอหันตาพรจิตจ้างนี่ท่านจะอยู่ในเกียร์ว่างอยู่ในเกียร์นิพพาเนี่ยพอตายพักจะตายช้าตายเร็งมันก็มันก็จะไปตรงนั้นอยู่ดีอพวกเรานี้ทำบุญให้ทายรักษาศีลตายไปก็ไปสวรรค์ทันที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 อตัวเล็กตัน้อยมันก็ต้องอยู่ข้างหลังถ้าตัวใหญ่เนี่ออกไปก่อนเนั้เวลาเราตายไปนี้ก็จำไหนที่มันหมัดที่เุิดลดบุญตันไหนที่มีกําการมากที่สุดแคนั้นก็จะพาวันไปก่อนแล้วพวกสัวสี่ะพวกสัมภเวสีนี่เพราะว่ามีวกที่ไปโงรนรกแล้วพอออกมาจากนรกมันจะมาเป็นสัมภเวสีค่อ เพราะว่าไม่ได้สร้างบุญไว้มากพอบางพวกนี่ตกนรกแล้วพอกลับมาก็ไปสวรรค์งเลยก็มีถ้าได้ทําบุญไว้มากได้ทำบุญทางการตัดบาปหรือเป็นประจันโดยพอดีมาเกิดอารมณ์ฆ่าพ่อข้าแม่โดยที่ไม่มีเศษงานแต่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้อย่างนิทานเรื่องที่ก็เอาข่าวไปใ ห, ให้แม่แ ม, ม่เอาข้าวมให้นิทานก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาประจํานั้นมันงายกว่า หรือแม้จะรับใช้แม่เลี้ยงแม่คอยทำงานทำการช่อยเลี้ใงทำบ้านทำดีอยู่ตลอดเวลา แ, ลวแต่การที่จะฆ่าหนะมเนี่มันมีบากหนกกว่ามันก็จะต้องถึงนก็ไปนรกก่อน<ม>แต่ถ้าเขาเคยทำบุญแล้วพอแต่นรกเขาก็ไม่ต้องเป็นสามประสัยสิเขาก็จะไปไปสวรรค์เลยได้กลับมาเกิดเรงนี้นไม่ได้เแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบทำบุญด้วยชอบแต่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 นำ ม, มาสร้างบิญสร้างบาปใหม่รอบแล้วดัง น, นั้นการนำบุญทานอย่างนั้นก็จะก็จะรับว่าเร า, อ, าอย่างก็ได้สวรรค์เมื่อทามาเป็นเปรตอย่างที่พวกเราทำอย่างนี้นเป็นการเป็นการติดประตูของการมาเป็นเปรตเมื่อถ้าเรลักษาพี่นได้ด้วยทำบาปล้วก็ติดประตูของการาากไปนรกเมื่อทํามาเป็นเดรัจฉ า, าน หายใจก็จะไปสวรรคอย่างพระเวชสวรรค์นอนอายใจก็ไปเกิดในสรคนพอเสื่อนจับสวรรค์ลงมาก็กลับมาเป็นจ้าชายสุทธทัตแล้วก็มาปฏิบักิขั้งบวลานิตตอมาออกเดือดตัดรั้เเจงพระพุทธเจ้านั้นอย่าทำบาสอย่างที่พระเจ้าส อ, สอนในสามข้อนี้อย่อยาทำบาด ท, ทั้งปวงสักบาปปัสสะการังกุศละซื้อกัสสักถา จงทำกุศลทั้งหลายถึงทองแล้วก็ให้ชำระจิตให้สะอาดต่อจิตถ้ายังไม่บริสุทธอย่างน้อยก็จะไม่ตายไปก็ไม่ไปเกิดในโลกไม่ไปเกิดในอบก็จะเกิดในสุขติแล้วพว่ที่ได้กลับมาทำบุญต่อมาชำระจิตต่อจนใ น, นที่สุดก็จะได้บรรุมรรคผลนิพพาง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 สิ make it, make me, life, I I ่ท um, okay. ี่เราได้มาไม่ดมีคุณค่ากว่าเงินทองเข้าของที่เรเสียไปกับเป๋ที่เราสียไปไม่เชื่อลองทอยูลองยกให้คนอื่นไปแล้วทายเรื่งอย่างลงแบบพ่อองเพราเขาก็เป็นทุกข์อีกยกให้ครก็เป็นทุกข์หมดเก็่เก็บไมเ ให้คนที่เขาไม่เอาเลยให้คนที่เขาไม่อยากได้เขาเาไม่เป็นทุกข์อย่างที่เราไปทาบินกับหลวงจานี่ท่านไม่ทุกข์ท่านก็เอาไปทาประโยชน์ให้ชาวบ้านอยากจะให้คนที่อยากได้ก็ไปส่งที่มีควาก็เาไปขายคือเอาไปขายน้องน้องไปโดนสอน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 ก็ อ, อย่างนั้นแล้วก็มีอัคติแล้วมันมีความความเกียดคยวามโกรซึ่ไม่ดียิ่ถ้าเป็นผู้มีทัุษะการลองนี่ยเาก็จะไปทงบาป ท, ที่นหนทาบาปกัคนอื่นไม่หนักเข้ากปทํ า, ทาบาปกับผู้มีทบกุณเช่นอาาริยกรรมนี้ก็มีสี่และห้าเช่นทาพระพุทธเจ้าห้อเรียก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 มักน้อยสันเด่นยินดีตามมีตามเกิดอย่าไปคู้นเฟอเห็นเห่้ฟันี้เป็นเรื่องของจิตเลยความึ้เความมักมากเป็นเรื่องของจิตดความมากน้อยสังเด่นนี่เป็นทรรมธรรมิจจเรามีความสมนบ ค, ความนิจเราไม่มีอขัดนกับครเราไม่ได้เราก็ไม่เสียใจไม่โกรธใัรแต่พอเราอยากได้ปัไม่ได้เราจะโกรธทันที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 หลักแล้เนี่ยจะมากแล้ไม่มากแต่อย่างน้วก็ต้อาเรยนทุกคนความมักเน่าสังเวชถึง จ, จะเรียนมไม่ทันไา้เพราะมันเป็นตัวปานตัวโลกตัวตัวมากมเนี่ยเปิดตัวโลกตัวโลกถ้าลดไม่ได้ก็จะแต่ทานโกรเชื่อก็จะได้ทาบาททานกรรได้แต่ถ้า ม, มีมากๆก็จะแตกกรายออกไปเนี่ยค่ะ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 มันทำอะไรไม่ได้มันได้ซีกความสุก ข, ข์ให้มากขึ้นกวเมก็มีความทุกข์ทางใจมากขึ้นกว่าเดิมคำถามข้อสุดท้ายนะคะทำไมดี่คะตัวที่เขียนได้ <laughs> ดนี่ <laughs> ย <laughs> อดความขยันเลยความขยันคามขยันนั่นที่คนะความที่เขียนได้เ <laughs> ราไม่เห็นทุกจริงๆเราถึไม่ขยันเนี่ยไม่หรอเลย มันมันที่เกีย่ยวก็ตเราความพยายามมาเกี่ออยงจัดตารางไว้เสร็วว่าวันนี้จะทำอะไรบ้างจะดังจงกรมขี่ชื่อมองจะนั่งสมาธิขี่เช่อมองถึงเวลาก็ทำลงไปบางครัาา้งลงไปต่อไปมั น, มนก็จะติดไปไม่ ใ, นในส่เองไม่ได้จำหรือถ้าเราบังคับตัวเองไม่ได้ก็ไปอยู่ที่เขาที่เขาบังคับเราได้ ถ้าเวลาไปอยู่โรงเรียนกินอเนี่ยไม่เหมือนกับอยู่บ้านอยู่บ้านที่เกียรติได้จะเตียนเวลาไหนก็ได้แต่พาอยู่โรงเรียนกินนอนถึงเวลาก็มีกระทางมีกระเด็นเนี่ยจบแล้วถึงเวลาต้องทํากษษษษษษษิจกรรมเนี่ยต้องขว้างตรงไปถาเราบังคับตัวอะไรไม่ได้เราก็ต้องไปอยู่แบบที่เขาบังคับมาได้ตองายคนอื่าบังคับเร า, าที่เขามีเครื่องพออบรมอะไร ก็อย่างนั้นะอย่างาเน้นก็อยู่นำพรางางเพียงก็ไม่ค่าเสียนต้องมีอยู่ครูบาจารย์คูบาจารย์ก็จะมีคูบาวิถีต่างๆคอยเชี่ยวเข้มคอคอยทให้เกิดความพย่งงเพียงอเดินิทบายต้านา่แดงแบบเออเหรอลอ่้ตอวิ่ง น, นเป็นวิธีการบาท่ให้เราเกิดความเพียรขึ้ น, น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 เราขอให้ทำต่อตัอ้เรี่ยๆอยากจกว่าจะไม่มีลมหาย <c oughs> ใจได้พอนะ <c oughs>